เป็นยังงเป็นบ้างวเม้ากีตอนเดินตอนนั่งมังคนไจะง่วงนะตอนนี้เป็นไงหายง่วงเห็นความเห็นความง่วงมันมันไม่เที่ยงไหมมัน มันเกิดขึ้นได้นะมันก็ดับได้เนาะทีตอนเราปฏิบัติมันอาจจะมีบ้างแต่เห็นเหมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องพอขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องจะเป็นแล้วก็หายไม่ได้เนาะแต่ตอนที่เราเป็นเน่มันมันลืมมันนึกมันนึกว่ามันต้องเป็นแบบนี้อีกนานจะไวหรือเปล่าใช่ไหมฮะ จะไวหรือเปล่านอ่นะมันกลัวนะมันกลัวมันกลัวว่ามันจะจะสู้ไม่ไหวมันกลัวว่าจะสู้ไม่ไหวทีเราปฏิบัติทำทีกิเลสมันก็จะหลอกนะเวลามันเกิดขึ้นมามันดูเหมือนมันดูเหมือนยิ่งใหญ่นะแต่จริงมันก็ใหญ่เพราะเราเพราะเราให้ค่ามันเนาะใหญ่เพราะว่าเรา ไปคอยไปคอยสังเกตเขาหรือว่าคอยที่จ ะ, ะดูว่าเขาเมื่อไรเมื่อไรเขาจะหายคล้ายๆเห ม, มือนคนกลัวผีนะเวลาเดินในที่มืดนะเขาจะคอยมองซ้ายมองขวาผีอยู่ตรงไหนใช่ไหมคนกลัวกลัวหมากัดเวลาเดินผ่านหมาก็จะมีพิรุษเนะเาะก็จะ คอยมองคอยคอยดูว่ามันจะมาหรือเปล่าที่จริงไอพีรุสพวกนั้นแหละมันทำให้หมามันอาจจะเห่ามากกว่าคนปกติหรือไอพีรุสที่เราเดี๋ยวซ้ายมองขวาดูผีนะมันก็อาจจะทาให้เราเห็นอะไรบางอย่างเราคิดว่าเป็นผี <c oughs> แล้วก็อาจจะวิ่งหนีเราอาจจะกลัวนี่บที <c oughs> อาลมที่เราที่เราง่วงก็ดีนะ มันก็เกิดขึ้นจริงนั่นแหละนะแต่มันอาจจะใหญ่กว่าปกติหรือว่าหนักกว่าปกติเพราะเราพยายามที่จะขักใส่เขานะหรือพยายามที่จะให้ค่าเขาเหมือนเขาเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากเกินไป <c oughs> มันเกิดขึ้นจริงแต่เราลองคล้ายๆให้ค่ามันน้อยลงแต่ <c oughs> เพราะขเขียนบางทีท่านจะ <c oughs> จะยกตัวอย่างชัดๆนะท่านบอกว่าไม่รู้พวกเราเป็นคนอาจจะคนในเมืองเน่อาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่หาวงพ่าถ้ายกตัวอย่างเหมือนคนในชนบทนะเวลางูงูจมางนะถ้าเราเรียกมันมันงูจมางเนี่ยมันก็จะชูคอแผ่ไม้เบี้ยนะมันก็จะแบบใหญ่โตเลยแต่แต่ถ้าชาวบ้านนะบางทีเขาจะมีเทคนิคนะบางทีเห็นงูจมางนะเขาจะเรียกนะเป็นงูสิง งูสิงเป็นงูไม่มีพิษเนาะถ้าเราเรียกมันเป็นงูสิงเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะไม่แพลแต่แม่เบี้ยมันก็จะไม่ยกคอคล้ายๆมันมันก็รู้นะว่าคนกลัวมันหรือคนไม่กลัวมันะพอเราเรียกมันเป็นงูสิงงูสิงเนี่ยมันก็มันก็มันก็รีบหนีไปเลยทําตัวเหมือนงูสิงเนี่ยแต่ถ้าเราเรียกมันงูจางอ่างนะมันก็จะทําตัวเป็นงูจางอางนะเป็น킹ค็อกบ้าจริงๆ อันนี้อารมณ์ก็เหมือนกันนะลองสังเกตหลวงพ่อก็บอกว่าอารมณ์เนี่ยลองทำตัวคล้ายๆเหมือนเรียกคำหนึ่งเหมือนงูสิงนะมันไม่มีมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทําพิษสมกับเราได้นะถ้าเราไม่กลัวมันแต่ถ้าเราอะไรก็ดูหนักอะไรก็ดูใหญ่นะ่ะมันก็พูดจะไหวหรือเปล่านะซูได้หรือเปล่านะ อันนี้ยเราก็ดูเนาะหรือบางทีปฏิบัติทำมันจะมีอารมณ์หนึ่งนะบางทีถ้าเราต้องบางทีมันก็จะคิดยากเนาะต้องปฏิบัติตลอดทั้งวันเลยเหรอต้องปฏิบัติตลอดทั้งชีวิตเละนะยเหรอเนี่ยหรือบางทีบางทีเราเข้าคอสบางทีโอ้ต้งมาเจ็ดวันนะจะส้องมานานเลยเนาะบางทีพอเราไปคิดถึงอนาคต คิดถึงอะไรที่มันดูเป็นตัวเลขมากๆ ม, มันก็เลยเกิดความท้อใจแต่จริงถ้าเราลองวางมันก่อนเนาะเพราะ่ยิงปฏิบัติทำเราจะปฏิบัตินานขนาดไหนมัน ก, มนก็มันก็ ท, ทําคีดละขนาดนี่แบบะนะ ท, ทําคีดละขนาดที่จริงถ้าเราแบบบางทีเราก็อาจจะเหมือนทําเป็นลืมว่าเราต้องปฏิบัติธรรมทั้งวัน ทำเป็นดืมว่าเราต้องปฏิบัติทำทั้งชีวิตนะก็ไม่ต้องสนใจนะมางทีถ้าเราให้ค่ามันมากนะมันแบบจะไหวหรือเปล่าน้อนะมาสังเกตยอย่างบางทีจะมีพระเนาะพระบางรูปเนี่ยสมมติถ้าบอกว่าตัวเองจะจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยสมมตินะจะเครียดพอเจออารมณ์เนี่ยอุ้ยจะไหวหรือเปล่าเน้ะคล้ายๆว่าต้อง อดข้าเย็นตลอดชีวิตอ่หรือว่าต้องละ ก, กามตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยอย่าไว้ด้วยเปล่ามันดูมันดูใหญ่มากแต่สังเกตบางรูปนะดามาบวชชั่วคราวสิบห้าวันเนะี <c oughs> ่ยเรื่องนี้เขาก็มองเป็นเรื่องเดีย๋ยวเดี๋ยวก็ได้กลับไปเศษเรียแหละมันก็เลยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มันก็เลยแต่มันก็ที่จริงอาจจะไม่ต่างกันเพราะจริงก็บวชเหมือนกันนะแต่เถืนว่า พอเรามองว่าเราต้องทำมันตลอดเนี่ยมันก็เลยดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องแค่ชั่วขณะนั้นแป๊เดียวเดี๋ยวสักพักอารมณ์มันก็เปลี่ยนนะเราผ่านทีละขณะทีละขณะได้ต่อไปมันก็จะไม่ไม่ยากไม่หนักมากแบบนะบาทีความง่วงนะั่นก็มันมันก็มาไปบ่อยบ้างความคิดเองก็ ให้วางใจเรื่องโยมนะในปฏิบัติถ้าเราเน้นแบบเจริญสติเนี้ยส่วนใหญ่ของการปฏิบัติจะมีความคิดมาก <c oughs> จะไม่ใช่ว่าสงบนะไม่ใช่ว่าสงบเพราะว่าถ้าสงบแล้วบางทีก็มันจะมันจะตัววิปัสสนาตัวที่ตัวปัญญาที่เห็นการเกิดการดับเนี่ยมันจะไม่ทำงาน ถ้าสงบอ่ะคล้ายๆเหมือนเรานอนหลับพักผ่อนการงานเรามันก็ไม่ก้าวหน้าขึ้นถามว่าสงบก็ดีไหมก็ดีแบบพักผ่อนเนาะแต่การวิปัสสนาการเจริญสตินะั้นมันเหมือนเราทํางานนะเราทํางานเราก็เลยได้งานเราก็เลยได้สิ่งต่างๆตามมาแต่ถ้าเราเอาแต่พักผ่อนเอาแต่เที่ยวนะหนีอารม์เที่ยวหนีอารม์เลือก็เที่ยวหนีอารมณนะ์มันก็จะไม่ได้งานไม่ได้ไม่ได้ความก้าวหน้านะ ถมสบายกว่าไหมสบายนะแต่ก็ก็ไม่ก้าวหน้านะพอเรามีปัญหาเราก็อยากจะเที่ยวพอเราเหนื่อยเราก็อยากจะนอนเหมือนนี้เหมือนก็จะแค่นี้ <c oughs> แต่การตืติบางทีมมาจะมีความคิดมีความฟุ้งต้านบ้านมีอารมณ์เข้าๆออกๆเข้ามาเยอะมาก แต่ถ้าเราภาวนาไปมันจะเหมือนคล้ายมันจะต่างกันมันคล้ายเหมือนเหมือนแต่ก่อนเราว่ายน้าไม่เป็นอ่ะแต่ก่อนเราว่ายน้าไม่เป็นเราอยู่ในน้ำเราก็จมน้ำเราก็สำรักน้ำแต่พอเราว่ายน้ำเป็นนะเราก็อยู่กับน้ำได้เราก็ลอยคอเป็นเราก็ว่ายเหมือนเป็นคือมันอยู่ด้วยกันแหละเหมือนความคิดมันก็มีเหมือนเดิมความฟุ้งซ่านอารมณ์ก็มีเหมือนเดิมแต่พอเราเจอสติเป็นมันเหมือน เราลอยคอได้เราก็ยุงตัวได้นะเราไม่ค่อยสำลักน้ํำบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแล้วก็มันพอเราว่าเป็นแล้วค่อยๆไหว้เข้าหาฝั่งไปเรื่อยมันมันก็เป็นแบบนั้นแหละความคิดอารมณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะตัวที่จะชวนให้หลงมันก็มีเหมือนเดิมแต่เราก็เหมือนทําหน้าที่เหมือนไหว้ไปเรื่อยไหว้ไปเรื่อยทวนไปเรื่อยนะคือแบบนี้นะแต่ถ้าเรา แต่ถ้าบางทีทำความสงบมันเหมือนคล้ายๆเราเราสบายนะเราสบายด้วยเพื่อชีชีพนะสบายอยู่แบบนั้นแต่ไม่ทำอะไรเลยแต่บางขณะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ตับมาทำความสงบบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเ็าไม่ได้ผิดนะแต่ต้องรู้ว่าตอนสงบก็ต้องก็ไม่ใช่สงบนานก็ออกมา เมื่อพักผ่อนเกียงคอแล้วก็ออกมาแล้วก็ไม่ไปติดใจไม่ไปติดอารมณ์นั้นถ้าเราติดใจติดอารมณ์นั้นมันก็จะเพลินแล้วก็อยากจะเข้าอีกแล้วนะอยากจะหนีอีกแล้วนะอันนี้ต้องระวังเราคนยอดเยี่ยมเป็นไงกะดีมีไ <c> ม <oughs> มีไหมเป็นยังไงก็มี <c oughs> ตั้งใจอะไรที่ตั้งใจมาเกิดที่ได้เันเหมือนกันเหมือนรก็ตั้งใจมาไม่ตั้งใจตั้งใจอยู่ก็ให้ผู้ใ้าแอยู่ในที่ที่แบบี้ี่ยเรา ตัวเองได้หรือลูกได้ <laughs> ขอได้ในมะพร้าว <laughs> ่ลูกบางทีทันใจพาลูกก็ได้คุงสมบจากลูก็ได้มาก็ได้บางคร้าเวทีปฏิบัติธรรบได้หนักปฏิบัติพอได้ไดจากทาง ท, ที่คุณแม่คุณแม่คนเบืดอคุณแม่นเนส่วนที่ที่เมอมอนแบบในใจว่ามันมีรุ่แบบนะของคุณแม่คนเบือก็คือคุณแม่ที่ต้องเร่งรี่ต้องรีบอาบ น, น้ำรีบกินข้าวรีบนอนรีบแต่งตัวรีบรีบทุกอย่าง ในชีวิตไม่ริบไม่มีเป็นไหมเห็นไหมแต่ว่าการปฏิบัติธรรมจะตรงกันข้าวนะก็เรายั้นิดหน่ก่นยั้งนิดหนึ่งชะไมัของเราแม้กระทั่งลุกต้องยั้งนิดนึ่งั่งก็ต้องมายงนึงจะไม่รีบลุกบนั่งนะของเรานั่นน่คือตรงนี้ันจนเ่ทางโลกมันก็จะมีภาพภาพหนึ่งที่บางทีเราอาจจะ ั้งเราไม่ไม่ทันได้ไม่ทันได้ควบคุมก็พอเวลาที่เหมือนแบบถ้าทันทำช้าหน่อยนช่ไหมครับจะดีกว่าลีบหน่อยหนึ่งนะมันจะร้อนช้าหน่อยหนึ่งมันจะเย็นลงมันจะมีสติเพิ่มเข้าไปได้เวลาอยู่กับเวลาอยู่ลูกอยู่ก็ต้องราว่าเพราะว่าหลายขึ้นแม่ไง ก็มาบอกบอกว่าลูกไม่มีสมาธิอาการที่ลูกไม่มีสมาธิลูกก็จะเล่นอะไรนู้นลั่นอะไรนู้หยุดไม่เป็นแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยใช้คำว่าฉะนั้นคือเล่งลูกรีบตลอดนลูกจะหยุดเป็นไหมเฉลยฮะคือต้องการที่จู่ในชีวิตของเราก็ไม่ต้องรีบร้อไม่เท่าไร ค่ดึเติมสติก็ไปนิดหนึ่งนยครับโดการเรานี่จะเป็นตัวอย่างให้สังเองเราเงเลยขึ้นนสักเป็นนนั่งก็เป็นลุกก็เป็นแล้วก็ทำเปเหมืนนักเต้นแต่ว่าพอเวลาเราปฏิบัติทํมจะมีางคเวลาเราจะลุกทีคัเราก็ไึกถึงสตินิดหนึ่งวั น, นี้เราก็ได้ใช้สติในการจะนั่งใช้สติ พอเป็นอนี้นลกนั่งที่มันเป็นปกติเนะี่ยเราก็เคล้ยคายว่าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอ่านสิ่งที่มั น, ป, นปกติปริญญาก็เป็นแบบปริญญาจะแนะนำเรื่องที่เป็นปกติมากเอาลมหายใจที่เราก็หายใจอยู่แล้วนี่นะเอาการเคลื่อนไหวที่เราก็ทําอยู่แล้วเอาการเดินหน้าถอยหลังที่เราก็ทำอยู่มันเอาเรื่นเรงเป็นการาการเรียนทำไม่ไม่ใช่เรื่องอะไร เป็นเรื่องยุ่งยาต้องใช้อุกปกอบให้เราก็ได้หัได้นึกถึ ง, งเวลาที่อยู่มาเราจะได้ปฏิบัติทางในขณะที่เราได้ปฏิบัติธักเราก็ได้เรียนร <c oughs> ู้ทุกคนว้อยครับ <c oughs> เป็นยังไงป่ะเป็นยากผมเลย กินยาของสามวันหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับจะโดนมีอะไรแน่นัำหนุ่มน้อยอายุอายุขนาดนี้มาอยู่ได้ขนาดนี้พ่ก็ว่าดี เราก็คิดถึงตอนเราขนาดนั้นถ้าเราต้องมาไม่มีกิจกรรมยังอื่นให้ทำแต่แบบนี้อะจะทำได้เข้าขเข้ารูปแบบก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันใช่ไหม ก, ก็ก็ดีแล้วแหละเนาะก็ดีก็มันอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวมากใน ต, ตอนนี้ก็ก็ไประยุนน์เอาเนาะกินข้าวเดินเล่น อาบน้าเลแล้วก็เติมเข้าไปนิดๆหน่นนอยๆไปตอนนั้นรุกได้เมื่อไหร่ก็ดีหรือว่าตอนที่เราอยากจะไปสนทนาะลองลองคิดดูดีๆก่อน่า ม, มันจำเป็นไหมอย่างมีโยมคนหนึ่งนะเขาก็อยู่วัดนะเขาก็เคยอยู่กับหลวงตอนเด็กเด็กเขาก็อยู่บ้านท่าไปก็เข้าไปวัดภูเขอทองที่หลวงพ้ อ, อยู่ก็ไปเล่นที่วัดแล้วก็มีมีงานหนึ่ง อ่าชาวบ้านเขาเรียกว่าแห่มโหดีนะมีเครื่องเสียงแล้วก็ฟ้อนรากันไว้นะไม่รู้แห่งานอะไรนะแต่มีมโหดีแห่รอบหมู่บ้านเด็กอยู่นี่เด็กอยู่ในวัดก็ขอหลวงพ่อว่า๋ยวผม ข, ขอไปแห่มโหดีกับเ้าก่อนหลวงพ่อบอกเดี๋ยวให้เดินจง ก, กลมพันรอบก่อนอืมแล้วจะค่อยไปไม่ใช่ร้อยรอบร้อยรอบก่อนแล้วค่อยไป เขาก็หลวงพ่อบอกให้เดินนะเขาก็เลยเดินจงกรมร้อยรอบพอเดินครบร้อยรอบอารมณ์อารมณ์ ม, มันไม่ได้อยากจะออกไปสนุกแบบแบบเก่าละเขาก็เลยไม่ไปละก็บอกว่าไม่ไปละแล้วเขาก็บอกว่าถึงตอนนี้เองมีแห่มโหดีมีอะไรนะเขาก็ไม่ไอยากไปแบบแบบเพื่อนแบบนะสังคมทั่วไปไปนะเพราะมันมันเห็นว่าอารมณ์มัน มันอยากได้มันก็มันก็หายมันก็เบื่อได้ลองดูนะเวลาเราอยากอะไรเยอะยะอืๆลองมาเดินจงกรมนั่งสมาธิดูที่อารมณ์มันจะยังอยากได้เหมือนเดิมไม่มันจะช่วยลดความอยากบางทีช่วงวัยรุ่นเนาะบางทีมันจะมีความอารมณ์จะแดงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นบางทีก็เป็นฮอร์โมนน่นนะมันไม่ใช่ว่า เพราะพฤติกรรมเข้าใจเราจริงๆหรอกมันเป็นฮอร์โมนบ้างมันเป็นเพื่อนบ้างแต่เราลองเอากรรฐานมามาตองมาดีๆก่อนว่าเออมันจําเป็นไหมมันอยากจะได้นั่นได้นี่ตามเพื่อนเนี่ยเราอยากได้จริงๆหรือว่าเพราะมันมันเป็นความอยากหรือเป็นความจําเป็นมันเป็นเพราะเราเออทางกระแสหรือว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะมันก็ช่วยตองตัวนี้อยู่ มีก่อนเติมนินึ่มีเพื่อนพระจันโรเพื่อนพระจันโนพระจันโนบอกว่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลเนาะประกากฏว่าพออยู่ม .1 น, น, นะครับพระจันโนก็สังเกตว่าทำไมเมื่อก่อนเก็เรียนพอๆกันกับเราปรกากฏว่าพอม .1 แล้วทำไมก็ถึงได้เรียนเก่งขึ้นเก่งขึ้นตอนนี้เป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นเป็นด็อกเตอร์ทางดาน ขุ่นหยกก็ปรากฏว่าเข้ามาบวชอยู่ที่วันแล้วเขาก็มาบอกว่าพอตอนมอนงคเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มปฏิบัติทำแล้วเขาก็เหมือนกับทําทุกวันแต่ก็ไม่ได้มาทําอะไรมากมายคุณพ้าคุณแม่ก็บอกว่าไม่เห็นเขารู้สึกปิดปกติอะไรเขาก็ช่วยงานที่บ้านเป็นปกติทางเพื่อนๆก็ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรเพราะว่าก็เหมือนกับก็ไม่ไม่ได้รู้ว่า เขาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาใช้เวลาก่อนนอนแตใช้เวลาตื่นเชา้านิดหนึ่งที่เขาเหมือน เ, าเขาบอกว่าเ้านั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าการเรียนเขาก็งั่งเขาก็ไม่ได้เรียนผิดไปจากเดิมแต่ว่าการเรียนมันง่ายขึ้นจนกระทั่งตอนที่เขาเข้ามาหลาลัยก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็เด็กต่างจังหวัดมาเรียนภาษาอังกฤษก็าตอ้อะไรกเขาก็คิดว่ามันจะยากนะ แต่พอเวลาที่เรียนจริงๆเขากลายเป็นคิวเตอร์ให้เพื่อนก็ก็ดีนะครับก็ดีตอนนี้น้องเขาเจเลยในหน่อยนะเขาก็ยังได้เหมือนกับว่าดึงน้องมาช่วยงานที่เขามีอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับสังคมกำลังชอบนะเรื่องบุญยนต์กไกัยก็ทาโรงเรียนทำโรงเรียนสอนพิเศษนะที่โคราชที่หน mm, ึ่งแล้วก็ยังมี คนขอนแก่นขอให้เขาไปเปิดโรงเรียนพิเศษเขาก็ดึงน้องน้องก็ถึเงเจเลยก็เรียนเก่งนะเป็นวิศวะเหมือนกันถ้าถุดก็มาช่วยกันอะไรกันเล่าให้ฟังมีใครจะถามอะไรัไหมมีคำถามความสงสัยอะไรหรือเปล่า เป็นยังไง บ, ünden? บ้างครับที่มาที่ไม่เ <dévelop inger the rix> <neo> คยปฏิบัติมาก่อนที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเป็นยังไงบ้างครัสองที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเป็นยังไงบ้าง ไม่ไม่เคยไม่เคยปฏิบัติเหมือนก่อเพราปฏิบัติเป็นยังไงบ้างพอได้ปฏิบัติไหนยังไงเบาขึ้นตลอนคืออย่างวันเช้าที่ฉัมนั่งเาบางทีมันก็คือบางทีการปฏิบัติบางทีความเบาสบายมันก็เป็นการติงเหมือนกัน คือตรงนี้หลวงพ่อคาเขียนเองก็เคยนะเคยเหมือนกับว่าคล้ายนะพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่าก็มีความสุขมากเลยแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆคล้ายๆเหมือนกับก็เหมือนกั บ, กกบยังไง เ, เขาเรียกว่าจะเรียกติดข้องหรือติดข้องอยู่กับตรงนั้นอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมไห ม, มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ย เป็นเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตมากเลยพอไปรายงานให้กับ n u m b เทียนบอก n u m b เทียนบอกผมว่ า, วาเนี่ยเราเหมือนกบอยู่ในกะลาพอเวลาที่เหมือนกับว่าเหมือนกับพอเวลาที่เห็นน้ําในกะลาเล็กๆก็นึกว่าเท่านี้เหมือนก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแตพอเวลาที่เหมือนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่อยู่แค่นี้เนี่ยเราจะเสี่ยมโลกกว้างมากกว่านี้ อาจจะได้เห็นบึงน้ำใหญ่ืออะไรต่างๆตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่บางทีเราปฏิบัติเนี่ยก็ให้เราได้หนุนแต่ว่าได้ได้เห็นว่านี่เราเพราเริ่มปฏิบัติใช่ไหมคเราทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ถ้าเราทำมากขึ้นกว่า น, นี้จะได้มากขึ้นกว่า น, นี้จริงๆตรงนี้ครามันก็จะเป็นวิธีการที่เหมือนกับคือถ้าคนที่เหมือนกับว่าแบกก็เรียกว่าแบกเรื่องเอาไว้ แบบเรื่ันหนักไว้พอเวลาที่เราปฏิบัติการที่เรารู้สึกตัวในสิ่งที่แบกมันจะหายไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจวางเลยนะ <c oughs> ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่มันเหมือนกับคล้ายๆมันเหมือนกับว่าเวลาที่ปฏิบัติมันมันมันยังไงเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปแทนที่ความหลงสมมุติห้าว่าวันนี้เรามีเวลา ใช่มครับสามชั่วโมงสมมุติ1ชั่วโมงนี้เนี่ยใช่ไหมครับเรารู้สึกตัวแล้วก็เหลือเวลาที่เราหลงอยู่แค่2ชั่วโมงอย่างน้อยมันก็บาขึ้นใช่หมครับเาเป็น3 0นั่นนั่นคือตรงนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่พอเราทํามากขึ้นเวลาของความหลงมันก็น้อยลงน้อยคือตรงนี้มันอยู่ที่ว่าการที่เรารู้สึกตัวทั้งหนึ่งความหลงมันจะหมดไปเรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งความหลงมันจะหมดไปแล้วความหลง ก็ไม่ได้หนักนะแต่เราคิดว่ามันหนักพางทีงานมันก็ยุ่งก็เท่านั้นใช่ไหมนะแต่เราก็คิดว่ามันยุ่งก็มีญาติที่ทคนนึงที่มารู้จักกันที่วัดทําธุรกิจซื้อมาขายไปนะไ ม, ไม่ไม่ได้ซื้อมาขายไปเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้ผู้ซื้อถึงวันหนึ่งนึกอยากค่าตัวตายบอกว่าทําไมงานมันยุ่งอยจัง <laughs> แต่ว่ายุ่งยั ง, ยงไงหมายถึงว่าเนี่ยตัวเองทํางานแล้วก็งานมันเยอะขึ้นก็ต้องดึงลูก mm hmm. ดึงเมีย mm hmm. ดึงลูกสะพ้ย mm hmm. ดึงลูกเขยมาช่วย mm hmm. แล้วทุกคนที่ดึงมาช่วยก็ยุ่งหมดเลย mm hmm. เพราะว่างานมันยุง่ง <c oughs> ถามว่าที่งานยุง่งยุ่งนี่ขัดทุนหรือ mm hmm. ไม่เฮ้ยขัดทุน <c oughs> แต่มันยุง่งมันหาเวลาไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าทําคนอื่นลํา บ, บากเนี mm ่ยเราดูนันงานขนาดนั้นงานดีนะ ทำแล้วก็ไม่เคยขัดทัวไมอะไรก็ยังคิดว่ามันยุง่งและคิดว่าเป็นปัญหาจะค่าตัวตายนะเนราะนั่นคือตรงนี้ครับาพอเวลาที่เรา <c oughs> เวลาที่มาที่วัดนี <c oughs> ก็ก็ชวนเขาชวนเขามารู้สึกตัวพอเขารู้สึกตัวได้สักพักหนึ่งนะสักเดี๋ยวและคาว่าพักหนึ่งมันไม่นานเลยครับเขารู้สึกได้เลยว่าไ อ, ไอ้ที่มันยุง่งยุ่งอยู่ในหัวมันหายไปเอย่างนก็มามาปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ปีห <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ึง แล้วก็นี่ตอนนี้ก็กลับไปใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงหายหน้าไปนนามละ <c oughs> เราสู่เป็นต่างแต่ก็ให้อยากให้จำว่ า, เ, าเราปฏิบัติธรรมอย่าอย่าไปคิดว่าอยากจะได้อะไรเนาะถึงว่าถ้าเราคิดว่า ปฏิบัติแล้วมันจะต้องได้ดีได้สุขได้สบายได้อะไรต่างๆบางทีมันก็เป็นตัวดอกที่ง่ายๆแต่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราควรปฏิบัติเพื่อลดเพื่อลัเพื่อเลิกเพื่อคลายสิ่งที่เคยหลงผิดสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวต น, นจริงๆที่จริงเราปฏิบัติเพื่อเพื่อดะบพ่ก น, นี้นะละกิเลสออาไปจากจิตใจละความโลภความโกรธความหลง พ้อ ท, ทายการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราก็าเป็นตัวตนของเราหรือว่าเพื่อลดอัตรามานะบางอย่างอาจจะไม่หายทันทีนะแต่อย่างไรก็อีโก้ความเป็นตัวตนมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะถ้าเราปฏิบัติแบบนี้นะมันจะมันจะพบความเบาเบาเ บ, บาสบายนะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติเพื่อที่จะเอาหรือว่าเพื่อจะรักษาพวกนี้ยเวลาเจออะไร เจอสิ่งกระทบอบบมันจะมันจะรู้สึกบันไหวได้ง่ายใช่ไหมเหมือนพเหมือนคนเก่งทำไมนะบาทีเก่งก็จริงนะหรือดีก็จริงนะแต่มีใครตำหนิไม่ได้เนาะใช่ไหมเราทําเต็มที่เราทําดีที่สุดแล้วแต่เดีจะมีคนมาวิจารณ์ก็ก็จะบันไหวหรือว่าก็ต่อบกลับไปใช่ไหมด้วยด้วยความเก่งของตัวเองที่มีใช่ไหมหรือบางที คนส่วนใหญ่มองว่าคนนี้เป็นคนดีแต่ถ้ามีคนบางคนมากคนนี้คนไม่ดีเนะี่ยบางทีเขาก็เขาก็อาจจะทุกข์แล้วใช่ไหมทันก็ทําดีมาทั้งชีวิต ม, มีคนมาว่าฉันไม่ดีบางทีบางทีความดีนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นหลักประกันว่าจะทําให้ไม่ทุกข์นะเพราะว่ามันก็ยังยึดภาพว่าตัวเองเป็นคนดียึดภาว่าตัวเองเป็นคนเก่งยึดภาว่าตัวเองทำเพื่อคนอื่นนะอะไรนะ แต่การภาวนาเราก็ไม่บอกว่าเราควรไปทำชั่วเราก็บอกควรทำดีแหละแต่การภาวนามันจะช่วยทำให้เรารู้ทันอารมณ์เวดามีคนมาตำหนิมีคนมาต่อว่ามีคนเข้าใจผิดหรือเจอเรื่อง เ, อเรื่องต่างๆในชีวิตมันจะเป็นตัวทดสอบดูว่าเอออัตตามานะตัวตนความยึ้มมั่นถึือมั่นมันยังมีเยอะอยู่ไหมถ้าเราเห็นโอ้มันยังมีเยอะเนาะก็ดีนะ ดีที่เห็นเพราะถ้าคนที่เป็นเนี่ยมันจะไม่เห็นไม่เห็นว่าตัวเองตัวตนใหญ่ไม่เห็นว่าตัวเองไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเห็นว่าใจไม่พอใจเนาะอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สิ่งที่กระทบอันนี้คนเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่มันไม่ดีนะอถ้าเราเห็นความมุ่งมิดในใจเห็นตัวตนเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ดี แต่การภาวนาไม่ใช่เพียงแค่เห็นสิ่งไม่ดีเห็นกิเลสอันนั้นบางทีแม้แต่ความพอใจเช่นคําสรรเสริญสิ่งดีๆที่เข้ามาถ้าเราไม่มีสติมันก็จะทําให้เราหลงไปเหมือนกันใช่ไหมคนบางทีคนก็ปากหวานเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะ ก, กับเราใช่ไหมบางทีหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้อะไรหลักแต่บางทีเราก็เชิญไปกับสิ่งนั้นมันก็จะทําให้เราหล ง, งลลตัวดนเตนไปก็ได้นั้น ควาสึกตัวเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ทันทั้งอารมณ์ไฟบวกอารมณ์ฝ่ายลบนะสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเนี่ยมันก็จะแสดงเห็นว่าเรายังมีอะไรอยู่เมื่อเรารู้ทันมันก็จะค่อยลดไฟลดไปเพราะนั้นภาวนาไปเรื่อยเนาะแต่ถ้าเราจะดูพัฒนาการตัวเองก็ดูพวกนี้นแหละว่าลตัวตนความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันมันลดลงไปไหมนะที่จริงภาวนา ในรูปแบบอื่นก็ได้นะโยมบางทีเหมือนอย่างการทำทานก็เป็นการภาวนาได้นะไม่ใช่เพียงแค่ทาบุญให้บางคนทําทานเพื่อหวังผลบุญเพื่อหวังบุญและแนะอุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตอันนั้นมันก็ได้แค่บุญแต่ถ้าเราทําทานทานความหมายคือการสละสละความตณหนีออกไปจากจิตใจนะหรืออภัยทานสละความพยาบาทความไม่พอใจออกไปจากจิตใจ ถ้าทำแบบนีท้ทําเนี่ยก็เป็นภาวนาไปด้วยเพราะว่าเราสละเราทำไม่ได้หวังจะเอาอะไรเราหวังเพื่อเราสละสิ่งที่เราเห็นมาเป็นประโยชน์สละให้กับพระสละให้กับคนยากจนสละให้กับเพื่อนสละให้กับลูกทำแบบนี้นะเราทำเพื่อสละจริงๆไม่ได้ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องอะไรกับเราถ้าเราทำแบบนี้มันก็เป็นทั้งบุญเป็นทั้งภาวนาเปนในตัวการรักษาศีลก็เหมือนกันนะ เรารักษาศีลเพราเห็นว่ารักษาแล้วเราเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนไม่ใช่รักษาว่าจะเองมีศีลคนอื่นไม่มีศีลก็ไปดูถูกเขาใช่ไหมคบางทีบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางทีไปดูถูกคนไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเราเราก็เผอแสดงความเจ้ากี้เจ้าการความไม่พอใจให้กับเขาซึ่งเราก็สามารถเราจะมีศีล ครบทั้งห้าข้อไหมแปดข้อไหมก็อาจจะมีแต่เราก็เผลอไปโกรธเผลอไปสแสดงอ่ความไม่พอใจตัวตนมันก็สแสดงออกไปแต่เรารักษาศิลก็จริงเพรเราเห็นว่าศีลมันเป็นตัวทําให้เราเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนแม้คนอื่นเขายังไม่รักษาแต่ที่จริงเราก็มีเมตตานะอะมีเมตากับคนที่เขายังหลงอยู่มีเมตากับคนที่เขาไม่เข้าใจเรามีเมตากับหลายๆคน ค่อยๆค่อยๆจุงเขาค่อยๆบอกเขาไม่โกรธเขาเนี่ยอันนี้ก็คือการภาวนาเหมือนกันนะอก า, ารภาวนาไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าพวกเราดีอีกพวกอื่นแย่ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่เหมือนบางรัฐที่บางศาสนาเหมือนยกตัวเองดีพวกอื่นแย่แล้วก็ต้องไปทําร้ายต้องไปเหยียบย่ําต้องไปไประนามพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยทําเช่นนั้นนะแต่บางทีท่านมี ทำชี้ว่ามันผิดอย่างไรเตือนอย่างไรท่านก็บอกอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะกลับตัวกลับใจไม่ได้ฉะนั้น พ, พระพุทธเจ้าเวลาคนศาสนาอื่นมาถามท่านมาว่าท่านมาอะไรท่านท่านก็ไม่ใช่ว่าโกรธเกลียดเขาแล้วก็ตอบกลับเขาไปอย่างเดียวแต่ถ้าคนไหนเขามีปัญญาเขาก็จะเออเห็นทางที่ถูกก็กลับตัวมามาทําในสิ่งที่ถูกได้ะนั้น แเราอยู่กับสังคมเนาะบางทีเราจะดื่มตัวนะเวลาท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมแค่เป็นคนมีศรรีลแค่เป็นคนมีความรู้ในเชิงธรรมะนะเราไม่เอาไปอวดไปอ้างไม่เอาไปไม่เอาไปข่มใครเนาะแต่เราเอามาเพื่อพัฒนาตัวเราเองแล้วก็ช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเราทําแบบนี้นแหละนะตัวเราเองก็ดีงามคนอื่นที่เราลอบข้ามเราก็ดีงามนะ ไม่มีใครเดือดร้อนจากการกระทําของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ที่มันจะเกิดคนได้ที่อยากให้พวกเราเอาไปช่วยกันเนะี่ยเอาไปทำต่อเอาไปเผยแพร่ต่อเนาะสังคมเราก็จะมีความสุขมากขึ้น